เจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเริ่มสใสในพระพุทธศาสนาทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันจันทร์ที่สองมกราคมพุทธศักราช2560เป็นวันหยุดเนื่องจากเป็นช่วงวันขึ้นปีใหม่ ทางราชาการก็เลยมีการหยุดชดเชยเพื่อให้ประชาชนได้มีเวลาไปทาภารกิจทางด้านจิตใจไปพักผ่อนทางร่างกายเพื่อที่จะได้มีกำลังกายกำลังใจที่จะได้นำเนินชีวิตต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ <c oughs> อย่างมีความสุขและด้วยความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองชีวิตของเรานี้มีอยู่สองส่วนด้วยกันคือมีร่างกายแล้วก็มีจิตใจสองส่วนนี้เป็นคนลาส่วนกันแยกกันอยู่ไม่ได้อยู่ด้วยกันเพียงแต่มาเกี่ยวข้องกันเพราะเนื่องจาก กังที่ได้ทำมาเนื่องจากกิเลสที่ได้มีอยู่ในใจจึงทำให้ใจนี้ต้องมาเกี่ยวข้องกับร่างกายมามีร่างกายเพราะใจไม่มีความสุขในตัวเองเลยต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับใจด้วยการไปหาสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ในโลกนี้มาเช่นหาเงินทองหาตำแหน่งหาอะไรต่างๆหารูปเสียงกลิ่น่นหาคนนั้นหาคนนี้หาสิ่งนั้นหาสิ่งนี้เพื่อมาให้ความสุขแก่ใจใจที่ไม่มีความสุขในตัวเองก็เลยต้องมาหาสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ การจะหาสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ได้ก็ต้องมีร่างกายถ้าไม่มีร่างกายก็หาเงินทองไม่ได้หาตำแหน่งไม่ได้หาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายต่างๆไม่ได้จึงทำให้ใจต้องมาเกี่ยวข้องกับร่างกายมาใช้ร่างกายเป็นคนรับใช้ ให้ไปทำอะไรต่างๆเพื่อให้ความสุขแก่ใจแต่ในขณะเดียวกันร่างกายที่ให้ความสุขกับใจก็จะให้ความทุกข์กับใจด้วยความทุกข์คืออะไรก็คือความไม่สบายใจต่างๆที่เกิดจากการมีร่างกายเพราะว่าพอมีร่างกายก็ต้องหายใจต้องกินต้องดื่ม ต้องมีที่อยู่อาศัยต้องมีเครื่องนุ่งหง่มต้องมียารับษาโรคใจก็เลยต้องไปหาสิ่งต่างๆเหล่านี้มาเลี้ยงร่างกายเพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายไปหาความสุขให้อีกต่อหนึ่ง mm hmm. uh. ก็เลยเป็นภาระร่างกายจึงเป็นภาระเป็นเหมือนคนนับใช้ที่เราต้องเลี้ยงดูเขา เวลาเราจ้างคนรับใช้มาอยู่ที่บ้านเราก็ต้องให้อาหารให้เงินเดือนเขาเพื่อเขาจะได้อยู่ได้เพื่อเขาจะได้ทำในสิ่งที่เราอยากให้เขาทำให้กับเราเช่นพาเราไปเที่ยวกันพาเราไปดูไปฟังมอหอลาศ บ, บันเทิงอะไรต่างๆนี่คือเรื่องของใจที่ ไม่มีความสุขในตัวเองเลยต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือไปหาความสุขแต่ความสุขที่ร่างกายหามาให้แก่ใจได้นี้ก็เป็นความสุขที่มีความทุกข์ติดมาด้วยเพราะว่าสิ่งที่ได้มาได้มาแล้วมันก็หมดไป <c oughs> เช่นเวลาเราไปเที่ยวเราก็ได้ความสุขจากการไปเที่ยวพอเรากลับมาบ้าน สิ่งที่เราไปเที่ยวมันก็หายไปหมดกลับมาอยู่บ้านไม่กี่วันก็เกิดความเหงาเกิดความว้าววีเกิดความอยากออกไปเที่ยวใหม่ถ้าไม่ได้ไปเที่ยวก็จะไม่สบายใจนี่คือความสุขที่เราได้รับจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะสิ่งต่างๆนั้นจะไม่อยู่กับใจเราไปได้นานนั่นเองมาแล้วก็ไป เห็นภาพแล้วก็ผ่านไปได้ยินเสียงแล้วก็ผ่านไปได้ดมกลิ่นลื่นรถสัมผัสกับอะไรพอไส้สัมผัสแล้วมันก็หมดไปพอหมดไปความสุขที่ได้จากสิ่งที่มาสัมผัสก็หายไปแต่ใจสิ่งที่ไม่หายจากใจก็คือความอยากหาความสุขแบบนี้ความอยากหาความสุขแบบนี้เป็นเหตุที่ทำให้ใจเรา ว้าวเวเศร้าหมองเวลาอยู่คนเดียวนี่เราจะรู้สึกว้าวเวเศร้าหมองไม่สดชื่นไม่เบิกบานแต่พอเราได้ออกไปเที่ยวได้ไปดูไปฟังไปทำอะไรต่างๆเราก็มีความเบิกบานขึ้นมาแต่เบิกบานชั่วคราวพราเดี๋ยวเราก็ต้องกลับมาบ้านพอเรากลับมาบ้านเราก็เศร้าหมองเหมือนเดิม แล้วเวลาที่เราต้องไปทำงานเพื่อหาเงินหาทองเพื่อที่เราจะได้เอามาเลี้ยงร่างกายแล้วก็เอามาใช้กับการไปเที่ยวตอนนั้นก็ลําบากทำงานก็เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแล้วก็ต้องวุ่นวายกับปัญหาต่างๆที่มีมากับการหาเงินหาทองนี่เป็น ความทุก์ที่ใจของเรากำลังหากันโดยที่คิดว่าเป็นความสุขกันแล้วก็ไม่รู้ว่าทำไมจึงต้องมาหาสิ่งเหล่านี้กันเพราะว่าไม่มีใครสอนไม่มีใครบอกว่ามีสิ่งที่ดีกว่าอยู่ในตัวเราที่เราไม่ต้องออกไปหาสิ่งต่างๆภายนอกตัวเรา ตัวเรานี้ไม่ใช่ร่างกายนะตัวเราคือใจใจนี้มีสิ่งที่วิเศษอยู่ในตัวเองแต่ไม่รู้ต้องรอให้คนที่รู้คือพระพุทธเจ้ามาสอนมาบอกเราว่าเรามีสิ่งที่วิเศษที่ดีกว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้และเป็นสิ่งที่จะอยู่กับเราไปตลอดไม่มีวันจากเราไป สิ่งต่างๆที่เรามาหาในโลกนี้สักวันหนึ่งก็ต้องจากเราไปหมดทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆบุคคลต่างๆเช่นญาติพี่น้องบิดามารดาปู่ย่าตายายสามีภรรยาบุตรธิดาหลานเลนเนของเหล่านี้สักวันหนึ่งก็ต้องจากกัน ร่างกายนี้ก็ต้องจากเราไปเหมือนกันพอเวลาเกิดการพาดพลากจากกันก็เกิดความทุกข์กันทุกมากทุกข์กับถึงกับไม่อยากจะฆ่าตัวตายบางทีเวลาสูญเสียสิ่งที่รักสูญเสียคนที่รักไปเนี่ยเพราะอยากจะให้เขาอยู่กับเราแต่ไม่มีปัญญาไม่เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ เป็นของชั่วคราวเป็นของที่มีเกิดแล้วก็ต้องมีดับมีเจริญแล้วก็ต้องมีเสือ่อมนี่คือปัญหาของพวกเราที่พวกเรากำลังติตดอยู่แต่ไม่รู้จักแก้แล้วก็จะต้องเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้มาพบกับพระพุทธเจ้า หรือพบกับพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าหรือพบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะสอนเราให้รู้ว่าเรามีของวิเศษมีของดีอยู่ในตัวเราที่ดีกว่าสิ่งต่างๆที่เรากำลังหากันอยู่ในขณะนี้และเป็นสิ่งที่จะอยู่กับเราจะให้ความสุขกับเราไปตลอดสิ่งนั้นคืออะไรสิ่งนั้นก็คือความสงมบ ของใจเหล่านี้เองตอนนี้ใจของพวกเราไม่เคยสงบเลยทำงานตลอดยี่บสี่แม้กระทั่งเวลาหลับก็ยังทำเวลาฝันนี่ก็เป็นการทำงานของใจใจคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ตอนหลับก็เป็นฝันไปพอตื่นขึ้นมาก็คิดไปหาหนูน่นหานี่คิดไปทำนูน่ทนทานี่พอคิดแล้วเกิดความอยากแล้วก็ร้อนเหมือนไฟลนก้นอยู่ไม่เป็นสุข อยู่เฉยๆไม่ได้ต้องไปหาสิ่งที่อยากได้กว่าจะหาได้ก็เหน็ดเหนื่อยหามาแล้วเดี๋ยวก็หายไปเดี๋ยวจากไปก็ต้องหาใหม่นี่คือเรื่องของพวกเราถ้าเราไม่มีพระพุทธศาสนามาบอกพวกเราว่าเรามีสิ่งที่ดีกว่าอยู่ในตัวเราก็คือความสงบ และสอนวิธีที่จะทำให้เราทำใจของเราให้สงบเพราะว่าตอนนี้เราไม่มีเครื่องมือเราอยากจะมีความสงบเราก็มีไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีเครื่องมือเหมือนกับเวลาที่รถยางแตกเราอยากจะเปลี่ยนยางถ้าเราไม่มีเครื่องมือเราก็จะเปลี่ยนยางไม่ได้เราต้องมีเครื่องมือเราถึงจะเปลี่ยนยางได้ฉันใดตอนนี้ เราอยากจะเปลี่ยนวิธีหาความสุขจากการไปหาความสุขทางร่างกายมาหาความสุขทางจิตใจเราก็ต้องมีเครื่องมือเพราะว่าอยากเฉยๆก็ไม่สามารถทำให้เรามีความสงบได้เราต้องไปรับเครื่องมือจากพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าเคยใช้เครื่องมือนี้มาแล้ว ทำใจของให้ท่านให้สงบแล้วทําใจของท่านให้มีความสุขทําใจของท่านให้ไม่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายแล้วถ้ามีความสุขแล้วจะไม่ต้องพึ่งร่างกายจะไม่ต้องมีร่างกายมาคอยรับใช้พาเราไปหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเราแล้วก็ต้องพบกับความทุกข์เวลาที่ไม่สามารถหาสิ่งต่างๆที่ต้องการได้ ตอนนี้พระพุทธเจ้าท่านส่งมอบเครื่องมือให้กับพวกเราอยู่สามอันคือหนึ่งคือการทำทาน2คือการรักษาศีลสคือการภาวนานี่คือเครื่องมือที่จะทำให้เรามีความสงบมีความสุดไม่ต้องเพิ่มสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้การทำทานนี้ก็คือต้องการให้เรา หยุดการใช้เงินทองไปในทางที่ผิดเช่นเอาเงินทองไปทำตามความอยากต่างๆเพราะการใช้เงินทองตามตามความอยากมันจะทำให้เราต้องใช้อยู่เรื่อยๆเราอยากได้อะไรเราก็ไปซื้อมาพอซื้อมาแล้วเดี๋ยวอีกสองวันไปเห็นของใหม่ในร้านก็อยากได้เราก็จะซื้ออยู่เรื่อยๆพอเราซื้อเงินก็จะหมด หมดก็ต้องไปหางานไปทำงานไปหาเงินหามาได้เท่าไหร่ก็เอามาใช้ตามความอยากหมด เ, เราก็เลยจะไม่มีโอกาสได้ทำบุญไม่มีโอกาสได้รักษาศีลไม่มีโอกาสมาภาวนากันพระพุทธเจ้าจึงสอนวิธีที่จะทำให้เรามีเวลามารักษาศีลมาภาวนาก็คือเอาเงินที่จะไปเที่ยวเอาเงินที่ไปซื้อของตามความอยากต่างๆนี้ เอามาทำบุญแทนอย่างวันนี้ญาติโยมก็เอาเงินมาทำบุญที่วัดแทนที่จะเอาเงินไปเที่ยวกันก็เอาเงินมาทำบุญที่วัดก็จะทำให้เราหยุดความอยากเที่ยวไปได้ครั้งหนึ่งหยุดความอยากจะใช้เงินซื้อของตามความอยากได้ครั้งหนึ่งเราพอเราลดความอยากได้ความอยากมันก็จะเบาลงไปความอยากจะไปเที่ยวก็เบาลงไป ความอยากจะซื้อของไม่จำเป็นซื้อของตามความอยากต่างๆก็จะเบาลงไปแล้วถ้าทุกครั้งเราจะใช้เงินไปซื้อของไปเที่ยวกันตามความอยากก็เอามาทำบุญกันรับรองได้ว่าต่อไปความอยากเที่ยวจะหายไปความอยากจะซื้อของที่ไม่จำเป็นต่างๆนี้จะหายไปถ้าจะซื้อก็ซื้อของจำเป็นจริงๆ ของจำเป็นก็คืออาหารเป็นต้นถ้าเราไม่ได้กินอาหารเราก็ต้องตายถ้าเราขาดอะไรแล้วไม่มีมันนี้แสดงว่ามันจาเป็นถ้าไม่มีมันแล้วทําให้เราตายเราก็เลยต้องไปซื้อมาแต่บางอย่างมันไม่จำเป็นก็อย่าไปซื้อเช่นเสื้อผ้าเรามีพอหรื อ, อยังถ้าเรามีพอแล้วก็อย่าไปซื้อถ้าซื้อตามความอยากเดี๋ยวมันจะอดซื้อบ่อยๆไม่ได้ เดี๋ยวเห็นชุดนี้สวยก็ซื้อมาเดี๋ยวไปวันพรุ่งนี้ไปเห็นชุดใหม่สวยก็อยากจะซื้อขึ้นมาอีกถ้าซื้อแบบนี้เดี๋ยวเงินก็ไม่พอเดี๋ยวก็ต้องไปดิ้นนนทํทำงานหาเงินมาซื้อของต่างๆแต่ถ้าเราซื้อตามความจําเป็นนี้เราจะไม่เดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องเงินทองเราจะมีเงินเก็บไว้ซื้อของจําเป็นได้แล้วถ้าเรามีมากเกินไป แล้วเราจะเอาไปซื้อของไม่จำเป็นหรือเอาไปเที่ยวเราก็เอาไปทาบุญทาอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไปความอยากใช้เงินตามความอยากนี้มันจะหายไปมันจะใช้เงินตามความจำเป็นเท่านั้นมันก็จะทำให้เราไม่ต้องทำงานมากไม่ต้องหาเงินมากการหาเงินมากทำงานมากมันก็จะบังคับให้เราทำบา เพราะอยากจะได้มากๆอยากได้ง่ายๆอยากได้เร็วๆวิธีที่จะได้ง่ายๆได้มากๆได้เร็วๆก็ต้องทําบากัน <c oughs> โกหกกันโกงกันหรือบางทีก็ไปฆ่ากันเพื่อที่จะได้เงินได้ทองมาแต่ถ้าเราไม่ต้องมีมีความจำเป็นจะต้องหาเงินมากๆเพราะว่าเราไม่มีความต้องการจะใช้เงินใช้แต่สิ่งที่จำเป็น ซื้อกับข้าวซื้ออาหารวันละมื้อนี้มันไม่ใช้มากครเสื้อผ้าก็มีแล้วบ้านก็มีแล้วยารักษาโรค ก, ก็30บาทรักษาทุกโรค ก, ก็มีอยู่แล้วนานๆถึงจะเป็นสักทีเราจะมีเงินพอใช้แล้วเราไม่ต้องทำงานมากเราก็ไม่ต้องไปทำบาปเราก็จะทำงานแบบสบายๆได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีไม่เป็นไร แต่ไม่ขอทำบาปดีกว่าเพราะการทำบาปก็จะเป็นการส่งเสริมความอยากอีกวความอยากนี้มันก็จะอยากให้เราทำบาปอยากได้เงินได้ของง่ายๆเร็วๆมันก็จะอยากให้เราทำบาปกันแล้วทำบาปแล้วก็จะสร้างความทุกข์ใจให้กับเราเวลาทำบาปนี้ใจเราจะไม่สบายใจเราจะวุ่นวายหวาดกลัววิตกกังวล แต่ถ้าเราไม่ทำบาสนี้ใจเราจะเย็นจะสบายไม่มีความวิตกไม่มีความกังวลก็ทำให้ใจเรามีความสุขโดยที่ไม่ต้องทำอะไรอยู่เฉยเฉยก็มีความสุขได้นี่เราได้ความสุขทั้งสองครั้งข้างหน้าก็เกิดจากการทำบุญเวลาทำบุญทำทานเราก็มีความสุขให้ความสุขแก่ผู้อื่นเราก็ได้รับความสุขกลับมา รักษาศีลไม่ทําให้คนอื่นเขาทุกข์ความทุกข์ก็ไม่มีในใจเรานี่ก็เป็นความสุขอีกแบบนึงแล้วขั้นต่อไปเราก็จะได้มีเวลามีความสามารถที่จะมาทําใจให้สงบได้การถ้าจาใจให้สงบนี้เราก็ต้องมีศีลที่สูงกว่าศีลห้าศีลห้านี้ยังไม่พอยังไม่สามารถส่งให้ใจไปภาวนาได้ ต้องใช้ศีลแปดถ้ามีศีลแปนี้จะทำให้เรายุติการไปหาความสุขทางตาทางร่างกายได้ถ้าเรารักษาศีลห้านี้เรายังไปหาความสุขทางร่างกายได้ยังไปเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงยังไปงานเลี้ยงงานแต่งงานยังไปร่วมหลับนอนกับแฟนกับสามีกับภรรยาได้อยู่แต่พอเรามาถือศีลแปดนี้ เราก็จะไปไม่ได้เมื่อไปไม่ได้เราก็จะมีเวลาที่จะมาฝึกนั่งสมาธิกันมาทำใจให้สงบกันถ้าไม่รักษาศิ้8แปดเดี๋ยวคนนั้นชวนไปนั่นมานี่ก็ไปงานแต่งงานคนนั้นงานวันเกิดคนนี้ก็จะไปะก็จะไม่มีเวลามาภาวนาแต่ถ้าถือศิ้นแปดเวลาใครมาชวนก็บอกเขาว่า ตอนนี้ถือศีลแปดไปไหนไม่ได้ต้องไปอยู่วัดหรืออยู่บ้านอย่างนี้เราก็จะได้มีเวลาการทำใจให้สงบนี้ต้องมีเวลาสร้างสติกันเพราะว่าถ้าไม่มีสตินี้จะไม่สามารถทำใจให้สงบได้ใจนี้เป็นเหมือนลิงเวลาเราจะให้ลิงนั่งอยู่เฉยๆนี่เราต้องทำยังไงเราต้องหาเชือกมามัดมันถ้าไม่มีเชือกมัดมันนี่มันไม่อยู่เฉยๆ มันก็จะดิ้นมันก็จะเล่นมันจะทำอะไรต่างๆใจเราก็เป็นเหมือนลิงจะให้มันนิ่งนี้เราต้องมีสติสตินี้เหมือนเชือกถ้ามีสติแล้วใจมันจะนิ่งจะสงบ พ, พอสงบแล้วจะมีความสุข ด, ดังนั้นตอนนี้ถ้าเราไม่มีเชือกคือถ้าเราสั่งให้ใจอยู่เฉยๆไม่ให้คิดได้เราก็ต้องหาเชือกมาเชือกที่วิธีหาเชือกก็คือใช้ให้นึกถึงพุโทโธพุโทโธ บริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยตั้งแต่ตื่นขึ้นมาลืมตาขึ้นมาก็พุทโธไปเลยอย่าปล่อยให้ลิงคือความคิดคิดนู่นคิดนี่ให้คิดกับเรื่องเท่าที่จำเป็นเท่านั้นเรื่องที่ไม่จำเป็นไม่ต้องคิดเช่นกำลังทำอะไรอยู่ก็คิดกับเรื่องที่เราทำอยู่ได้แต่ถ้าเราไม่ต้องคิดก็ไม่ต้องอย่าให้มันคิดอย่าปล่อยให้มันไปคิดถึงอดีตถึงอนาคตให้ม่คิดอยู่กับเรื่องที่อยู่ในปัจจุบัน หรือถ้าไม่จำเป็นต้องคิดก็อย่าคิดใช้พุทธโธหยุดมันเช่นเวลาเราล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำอาบท่านี้เราแทบไม่ต้องใช้ความคิดเลยก็อย่าปล่อยมันคิดให้คิดอยู่กับพุทธโธพุทธโธไปถ้าเราคิดอยู่กับพุทธโธมันก็จะไปคิดเรื่องต่างๆไม่ได้แล้วพอเรามีเวลาว่างเรามานั่งเฉยๆเราคุมความคิดได้เราให้มันพุทธโธต่อไปเดี๋ยวมันก็ ตกหลุมตกบอ่อเข้าสู่ความสงบไปเองพอมันสงบแล้วเราก็ไม่ต้องพุโทโธแล้วเราจะพบกับความสุขอันมหัศจรรย์ใจที่เราไม่รู้ว่ามีอยู่ในตัวของเราเองเป็นความสุขที่ดีกว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเป็นความสุขที่ดีกว่าได้แต่งงานกับดาราภาพยนตร์เป็นความสุขที่ไม่มีอะไรในโลกนี้สามารถที่จะให้กับเราได้ถ้าเราได้พบกับความสุขแบบนี้แล้วเราก็จะ เลิกหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ได้เลิกหาความสุขผ่านทางร่างกายได้ร่างกายเราก็ไม่ต้องพึ่งเขาเองเขาจะแก่เขาจะเจ็บเขาจะตายเราก็จะไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ต้องใช้เขาแล้วที่เราเดือดร้อนกันตอนนี้เพราะเรายังต้องพึ่งร่างกายอยู่ยังต้องใช้ร่างกายหาความสุขให้กับเราอยู่นั่นเองแต่ถ้าเราเลิกใช้ร่างกายได้แล้ว ร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายนี้จะทำไม่ให้เราทุกข์เลยแล้วเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปเราก็จะไม่กลับมามีร่างกายอันใหม่ต่อไปเพราะเราสามารถอยู่โดยที่ไม่ต้องมีอะไรได้อยู่แบบพระพุทธเจ้าได้อยู่แผ่พระอาหารหันต์ได้นี่คือสิ่งที่พวกเราจะได้รับจากการที่เรามาวัดกันมาฟังเทศฟังธรรมกันขอให้เราเชื่อ พระพุทธเจ้าเชื่อพระ อ, อริยสงสาวบเชื่อพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเถิดที่สอนให้เราทําบุญทำทานให้เรารักษาศีลให้เราภาวนากันขอให้นําเอาไปปฏิบัติเถิดแล้วรับรองได้ว่าเราจะต้องได้รับผลเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้รับอย่างแน่นอนเพราะถ้าเป็นเหตุอย่างเดียวกันมันก็จะต้องมีผลอย่างเดียวกันอย่างแน่นอน มันไม่ได้ขึ้นกับการเวลาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอาการลิโกเป็นเหตุที่จะทำให้เกิดผลไม่ว่าจะอยู่ในสมัยใดยุคใดสมัยพระพุทธเจ้าก็ทำให้ใจสงบทำให้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอาหารหันต์ได้สมัยปัจจุบันก็เช่นเดียวกันทำให้เป็นพระอาหารหันต์ได้เช่นเดียวกันถ้ามีเหตุอย่างเดียวกันจึงขอให้พวกเรามีความมั่นใจ และน้อมเอาสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัติไปปฏิบัติกันอย่างเต็มที่อย่างเต็มร้อยรับรองได้ว่าไม่ช้าก็เร็วผลอันยิ่งใหญ่นี้ก็จะปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมแล้วนำเอาไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์อันสูงสุดที่จะตามมาต่อไปนี้ให้ท่านได้นำมาไปพิณิพิจารณาและปฏิบัติ